พระพุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือกันเป็นศาสนาที่สามารถป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพวกเราได้ สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้เพราะพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองถ้าพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลย จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจกันใจของเราเลยยังมีความทุกข์ยังมีความวุ่นวายใจอยู่เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีอยู่นี้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจ ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจพระพุทธที่เรากราบไหวบูชาเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปต่างๆนี่เรียวกว่าเป็นพระพุทธภายนอกไม่ได้เป็นพระพุทธภายในเช่นเดียวกับพระธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษา ได้อ่านได้ยินได้ฟังยังเป็นพระธรรมภายนอกใจเราอยู่ไม่ใช่เป็นพระธรรมภายในใจพระอริยสงสาวกคือพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วที่เรากราบว่าเคารพนับถือ ก็เป็นพระสงฆ์ภายนอกยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์ภายในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจต่างๆของเราได้หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบยำ่ำทำลายจิตใจของพวกเราได้เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ภายในใจเราถึงจะมีสาระที่แท้จริงมีที่พึ่งที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคของร่างกายถ้ายังอยู่ภายนอกของร่างกายต่อให้ยาวิเศษขนาดไหนก็ตาม ก็ยังจะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้ถ้าเรารับประทานยาเอาอยานั้นเข้าสู่ร่างกายยาก็จะสามารถทําหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆภายในร่างกายให้หายได้พระพุทธพระธระรม พ, พ, พ, พระสงฆ์ภายนอก ก็เหมือนยาที่อยู่ข้างนอกของร่างกายยาที่เรายังไม่ได้รับประทานยังไม่สามารถทําหน้าที่รักษาโรภาคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หายได้จะรักษาได้ก็ต้องรับประทานยาเข้าไปในร่างกายเมื่อยาได้เข้าไปในร่างกายแล้ว ยาก็จะสามารถทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้เราจึงรับประทานยากันเวลาเราไปเวลาเราไม่สบายเราไปหาหมอหมอก็บอกว่าเอายานี้ไปรับประทานเมื่อรับประทานแล้วยาก็จะได้ทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกาย รับประทานไปตามที่หมอสั่งให้รับประทานไม่นานโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปอันางใดความทุกข์ใจต่างๆก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บของใจที่จาเป็นจะต้องมียารักษายาที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของใจให้หายไปได้ก็คือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ หรือพระธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกที่เราเรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถ์นี้เราก็ต้องน้อมเอาเข้าสู่ใจถ้ายังอยู่ภายนอกใจยังไม่สามารถทาหน้าที่รักษาโรคใจคือความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ เราจึงต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของพวกเราวิธีที่จะน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจก็คือเราต้องศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอรัลาะ์สงสาวกทั้งหลายเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาทำขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขั้นต่างๆตามลําดับไปจนถึงขั้นสูงสุดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดี เป็นการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจเป็นการรับประทานยาธรรมโอรสเมื่อยาได้ได้เข้าสู่ใจแล้วยาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่รักษาความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้อย่างเส้นเชิงดังนั้น ถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะมีสาระที่พึ่งที่แท้จริงที่ทำให้เราไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับภัยต่างๆเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษา ก็ทำคำสอนของพระอริยสงสาวกศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ ในเบื้องต้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกระทำในในขั้นตอนของการที่จะสร้างสาระที่พึ่งทางใจขึ้นมาต้องรู้จักวิธีสร้างสาระทางใจก่อนว่าสร้างอย่างไรก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง หรือพระอริยสงสาวกเป็นตัวอย่างท่านก็สร้างสารณะที่พึ่งภายในวิธีที่ท่านสร้างก็เป็นวิธีที่เราจะต้องสร้างเราถึงจะได้ที่พึ่งภายในเหมือนกับที่ท่านได้มีที่พึ่งภายในพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดามาก่อนเหมือนพวกเรา ท่านก็เกิดมาในตระกูลต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าก็เกิดในตระกูลของกษัตริย์เป็นพระราชโอรสพระอริยสงสาโวกรูปต่างๆก็มาจากตระกูลต่างๆมีตระกูลของเศรษฐีก็มีตระกูลของคนธรรมดาก็มีตระกูลของคนยากจนก็มีท่านก็เป็นคนที่มีความทุกข์เหมือนกัน เป็นคนที่แสวงหาที่พึ่งทางใจเหมือนกันพอได้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมามก็แสวงหาคำสอนจากพระพุทธเจ้ากันอ่าก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของพวกเราก็มีปรากฏขึ้นในยุค ของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ประสูติขึ้นมาในตระกูลของกษัตริย์เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสุทโธทน ะ, ะทรงได้มีการดูดวงและได้พยากรณ์ว่าจะได้เป็นอย่างใดอย่างหนึง่ง ถ้าอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาของโลกพ่อของพระพุทธเจ้าก็มีความปรารถนาอยากให้เป็นพระมหาจากักรพรรดิไม่อยากจะให้ออกบวชก็เลยพยายามหว่านล้อมห้อมล้อม สิ่งต่างๆที่สวยที่งามของโลกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัตต่างๆที่น่าดูน่าชมน่าเสกมาคอยห้อมร้อมพระราชโอรสเพื่อให้พระราชโอรสมีความสุขจะได้ไม่อยากที่จะออกไปบวชทรงสร้างปราสาสามฤดูให้ประทับ ทรงหาแต่ความสุขต่างๆให้พระราชโอรสได้เสพได้สัมผัสทรงห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่บุคคลที่ไม่น่าดูเข้าไปในพระราชวางังเช่นคนแก่คนเจ็บคนตายจะห้ามไม่ให้เข้าไปไม่ต้องการให้พระราชโอรสนั้นเกิดความไม่สบายใจ และอาจจะคิดออกบวชได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะปิดกัน้นการจะเป็นพระพุทธเจ้าของพระราชโอรสได้เพราะวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถาก็ได้แอบออกไปเที่ยวนอกกำแพงวัง ก็ได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายได้เห็นนักบวชก็เลยทำให้พระองค์มีความไม่สบายใจมีความเศร้าใจที่จะต้องที่จะที่จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายในตามลำดับต่อไปอซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ปรารถนาพระองค์ปรารถนา ที่จะอยู่อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแต่ความจริงของร่างกายของโลกนี้มันเป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยทำให้พระ อ, องค์นี้อยากจะออกบวชเพื่อที่จะได้หาทางดับความทุกข์ ที่จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย <c oughs> แล้วหลังจากที่ได้ทรงออกบวช ก, ก็ได้ทรงบําเพ็ญปฏิบัติทำทรงเจริญศีลสมาธิและปัญญาจนในที่สุดก็ได้ตัดสารุเป็นพระอาหารหันตะสมมาสามพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ด้วยพระธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ได้ส่งคนพบก็คือพระอริยสัจ ส, สีทุกขสมุทัยนิโรธมักหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนําเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสังสอนให้ปฏิบัติได้ ก็คือให้เจริญสีนสมาธิปัญญาได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เช่นเดียวกับที่พระ อ, องค์ได้ทรงหลุดพน้นจึงปรากฏมีผู้มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนในปฏิปทาของพระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากได้ออกบวชกันได้เจริญสีนสมาธิปัญญากัน ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันนี่คือการศึกษาเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะได้พระธรรมพระพุทธพระสงฆ์เข้ามาภายในใจเราเราจะต้องทาอย่างไรกันเราต้องทําอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกท่านทำกันท่านสละออกจากเรือนกันสละ จากเพศคารวะกันสละการหาความสุขทางร่างกายกันสละการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแล้วท่านก็ออกไปอยู่ตามป่าตามเขาไปเจริญศีลสมาธิและปัญญากันแล้วไม่นานท่านก็สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีภายในใจได้อย่างสิ้นเชิงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะปกป้องรักษาใจไปตลอดนี่คือการศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้ว เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะมีสาระที่พึ่งทางใจภายในใจของเราได้นั้นต้องเกิดจากการเจริญศีนสมาธิปัญญาและการที่เราจะเจริญศีนสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องสละภารกิจการงานต่างสละเวลาที่เราใช้ไปกับการหาลาบยศสารเสริ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะนั่นไม่ได้เป็นวิธีสร้างสรณะขึ้นมาภายในใจแต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจกันพวกเราที่ยังหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพวกเรายังกำลังสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจกันเพราะเวลาที่ราบยศสรรเสริญ สุกเสื่อมไปเวลานั้นความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญสุขก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ใจกันขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเรากําลังหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ตกันแต่เราลืมไปว่าราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพา้านี้มีโอกาส ที่จะหลุดจากเราไปได้มีโอกาสที่จะเสื่อมหมดจากเราไปได้พอเวลาที่เราไปประสบกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพภะภชนิดต่างๆความสุขที่เราเคยได้รับจากสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดฝันไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทุกข์เลยเพราะเราคิดว่า ถ้าเรามีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเราจะมีความสุขมากกันนั่นเองแต่เราลืมมองไปว่าลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีเกิดได้ก็มีดับได้เราจะมองเพียงด้านเดียวมองว่าลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกกินรสต่างๆนี้จะเจริญอย่างเดียวจะเกิดขึ้นมาอย่างเดียวจะไม่คิดว่าจะต้องมีวันเสื่อมไปจะไม่คิดว่าจะต้องมีวันดับไปกันเราก็เลยไม่คิดว่าเรากำลังหาความทุกข์กันเราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันเพราะเวลาเราได้เงินทองเราก็มีความสุขเวลาเราได้ตาแหน่งขั้นต่างๆเราก็ดีอกดีใจกัน เวลาเราได้รับคำสรรเสริญยกย่องยืนยอเราก็ดีใจกันเวลาที่เราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผธทะพะชนิดต่างๆเราก็ดีใจกันมีความสุขกันแต่เราไม่ได้คิดว่าเราอาจจะมต้องเจอวันที่เราจะไม่สามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะได้เช่นเวลาที่เราไม่สบาย หรือเวลาที่เราตายไปหรือถ้าเรายังอยู่เรายังสบายแต่เราอาจจะสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักไปก็ได้พอเวลาเกิดการสูญเสียขึ้นมาความสุขที่เราคิดว่าเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำ ให้มีเรามีความทุกข์กันเพราะเราไม่ฉลาดหรือเราถูกความมืดบอดครอบงำใจของพวกเราทำให้เราไม่มองความจริงกันมองเพียงครึ่งเดียวมองเพียงด้านเดียวมองในด้านเจริญไม่ได้มองในด้านเสื่อมกันพอเราไปพบกับความเสื่อมเราก็เลยต้องทุกข์ทรมานใจกัน นี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองมาคอยสอนมาคอยเตือนใจเราถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยสอนคอยเตือนใจเราเราก็จะไม่หลงกับการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อม มีการเปลี่ยนแปลงไปได้จากดีเป็นไม่ดีได้ <c oughs> เราก็เลยไม่ไปหลงไปหาลาบยศสละเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันเราก็ไปหาสาระที่พึ่งทางใจกันคือไปหาศีลสมาธิปัญญากันศีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละ เป็นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ภายในใจของพวกเราแล้ ว, ลวก็เท่ากับเราได้รับประทานยาคือธรรมโอสถเข้าไปภายในใจแล้วแล้วยาธรรมโอสถนี้ก็จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปไม่ให้มี ความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเวลาที่เราน้อมเอาพระธรรมคาสอนเข้าสู่ใจด้วยการปฏิบัติจนเราเห็นพระอริยสัจสีปรากฏขึ้นมาภายในใจเห็นว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากทั้งสามคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็น แล้วเราก็เห็นวิธีดับความทุกข์ของใจว่าดับด้วยการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้เพราะเรากลัวที่จะต้องเจอความทุกข์เวลาที่เขาจากเราไป เวลาที่เขาดับไปนั่นเองนี่คือการสร้างสรารณะสร้างที่พึ่งของใจจําเป็นจะต้องสร้างด้วยการศึกษาแล้วน้อมนาเข้ามาปฏิบัติกันถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะหลงคิดว่าเรามีสรารณนะมีที่พึ่งกันแล้วเช่นเราก็ไปหลงคิดว่าพระพุทธรูปที่เรามีกันนี้ เป็นที่ปกป้องคุ้มครองใจของพวกเราซึ่งความจริงพระพุทธรูปนี้ท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเลยท่านเป็นเพียงแต่รูปจําลองเท่านั้นเองให้เราคิดถึงองค์แท้ของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธรูปนี้เป็นเพียงตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง หรือพระพุทธรูปที่เราสวมห้อยคอไว้อันนี้ก็เป็นเพียงของที่มนุษย์ที่มีกิเรดด้วยกันนี้ประดิษฐสถานกันขึ้นมาประดิษฐ์กันขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีไว้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์แท้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรและท่านสามารถช่วยเราได้อย่างไรเท่านั้นเอง พระพุทธรูปที่เราเห็นกันที่เรากราบไหว้กันมีหน้าที่เพียงเท่านี้เพื่อให้เราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์แท้เพื่อที่เราจะได้ศึกษาว่าท่านเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรท่านทาอย่างไรถึงทำให้เรารุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อันนี้เราต้องศึกษาเราถึงจะได้ไม่หลงเข้าใจผิดคนที่ไม่ศึกษานี้คิดว่า มีพระพุทธรูปแล้วปลอดภัยยังเหมือนเดิมมีพระพุทธรูปหรือไม่มีพระพุทธรูปก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอยู่ผู้ที่ไม่มีพระพุทธรูปแต่มีพระพุทธที่เกิดจากการปฏิบัติภายในใจนี้จะไม่มีความทุกข์เลยดังนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็จะหลงยึดติดอยู่กับพระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกที่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เช่นหนังสือธรรมะเราก็มีการเต็มบ้านมีการหลายเล่มแต่หนังสือธรรมะเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้นอกจากว่าเราเอามาศึกษาแล้วปฏิบัติตามเท่านั้น เราถึงจะสามารถดับความทุกข์ภายในใจได้เช่นหนังสือธรรมะก็สอนให้เราเจริญสีนสมาธิปัญญากันถ้าเราเจริญสีนสมาธิปัญญาตามคำสอนในหนังสือเราก็จะได้สานะที่พึ่งขึ้นมาภายในใจของพวกเราป้องกันใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้ดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราต้องให้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ของแท้และของเทียมเป็นอย่างไรของเทียมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้เองเช่นพระพุทธรูปต่างๆหนังสือธรรมะต่างๆพระอริยสงสารูพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คำว่าเทียมนี้ไม่ได้ไหมหมายความว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์แท้ท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์ของท่านแต่ท่านไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เราต้องมีพระอริยสงฆ์ภายในใจของเรามาดับถึงจะดับได้และการที่จะมีพระอริยสงฆ์ภายในใจของพวกเราเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอง เมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนเราก็จะมีพระอริยสงฆ์ภายในใจขึ้นมาอันนี้แหละคือพระอริยสงฆ์ที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจต่างๆเพราะจะเป็นพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมขั้นต่างๆมีดวงตาเห็นธรรมขั้นต่างๆนั่นเองด้วยการน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระอริยสงสารกทั้งหลายก็ดีเอาเข้ามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและคพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสารกนี้เป็นธรรมอันเดียวกันสอนเรื่องเดียวกันสอนเรื่องการเจริญสีนสมาธิปัญญาอย่างเดียวกันสอนให้บรรลุทำขั้นต่างๆอย่างเดียวกันสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอย่างเดียวกัน ไม่ต่างกันชใช้แทนกันได้เพราะว่าพระอริยะสงสาวกศ์ท่านก็ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติ บ, ตบรรลุธรรมแล้วท่านก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอนแก่พวกเราอีกทอดหนึ่งอย่างนั้นเราจ้งเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาภายในใจของเรา พระธรรมก็น้อมพระธรรมด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระธรรมคำสอนน้อมพระพุทธเจ้าน้อมพระอริยสงฆ์ด้วยการเอาแบบฉบับของท่านมาเป็นแบบฉบับของเราเอาวิธีการปฏิบัติของท่านมาเป็นวิธีการปฏิบัติของเราท่านออกบวชเราก็ออกบวชกันท่านเจริญศีนสมาธิปัญญาเราก็เจริญสีนสมาธิปัญญากัน ท่านเลิกหาลาบยศสระเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็ต้องเลิกหาลาบยศสระเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถึงจะเรียกว่าเรากำลังรับประทานยารับประทานธรรมโอสถนไม่ใช่หมอให้ยาเรามาแล้วบอกว่าให้รับประทานวันละสี่ครั้งสามเวลาหลังอาหารแนละ กอนนอนพอเรารับยามาแล้วแทนที่เราจะทําตามที่หมอสัง่งเราก็ปล่อยยาวางไว้เฉยๆไม่รับประทานลืมรับประทานยาไปถ้ารับยามาแล้วไม่ไปรับประไม่เอาไปรับประทานยาก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ร่างกายได้เมื่อไม่สามารถเข้าไปสู่ร่างกายได้ก็ไม่สามารถทําหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ อันใดเมื่อเราได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญอย่างไร <c oughs> พระทำคำสอนท่านสอนให้เราบเนเพ็ญอะไรกันถ้าเรารู้แล้วเราไม่นำเอาไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาธรรมก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาธรรมขั้นต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นมาจากการเพียงศึกษาเพียงอย่างเดียว การศึกษานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องวิธีที่จะปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนวิธีที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้จักวิธีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ทาขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาทาขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ก็จะปรากฏขึ้นมาในแต่ละขั้นนี้ก็จะทําให้ความทุกข์ต่างๆเบาบางลงไปตามขั้นของธรรมที่เราได้บรรลุขั้นที่หนึ่งก็ทําให้ลดลงไปขั้นที่สองก็ทําให้ลดลงไปอีก ขันที่สามก็ทำให้ลดลงไปอีกพอถึงขั้นที่สี่ก็ทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากใจเลยเกิดจากการปฏิบัตินะ่าเกิดจากการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่เป็นวิธีที่เราจะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราเพราะเวลาที่เราปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ครบบริบูรณ์แล้วก็จะมี การบรรลุธรรมขั้นต่างๆการบรรลุธรรมก็คือการเห็นธรรมนั่นเองการเห็นพระอริยสัจสีในขั้นต่างๆพอเราเห็นอริยสัจสี่เราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่เอาอริยสัจสีนี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา n ั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าอริยาาสัจสี่นี้ไม่ได้มาจากใครมาจากพระพุทธเจ้านี้เองจึงไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจึงไม่จำเป็นจะต้องไปจารกถึงพระที่สังเวช น, ะวชนิยสถานสี่ในประเทศอินเดียพวกที่ไปนี้เป็นพวกที่ยังไม่เห็นธรรมกัน ก็เลยขอให้ได้ไปเห็นเงาของธรรมก็ยังดีให้ได้ไปเห็นเงาของพระพุทธเจ้าก็ยังดีการที่เราไปประเทศอินเดียเพื่อไปอไปบูชาสังเวชนิยสถ า, านทั้งสีน่นี้เพื่อให้เราได้เกิดศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้านี้เองว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เ, เกิดในประเทศอินเดียออกบวชแล้วก็ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็สิ้นชีวิตที่ประเทศอินเดียแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนี้จะได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจจะเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากอย่างชัดเจนก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ก็ทำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้มันได้ปรากฏขึ้นมาภายในใจของผู้ปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สงสัยในพระอริยสงสาวกเพราะผู้ที่ได้เห็นธรรมนี้แหละก็คือพระอริยสงสาวกุกผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะเห็นธรรมได้ ถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้จะเห็นธรรมไม่ได้เช่นถ้ายังไปหาลาบยศสรรเสริญยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรายังจะมาหวังว่าจะได้เห็นธรรมนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะผู้ที่เห็นธรรมกันนี้ท่านหยุดหาลาบยศสรรเสริญท่านหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกกันลิ้นกายกันแล้วทั้งนั้นท่านจึง มามีดวงตาเห็นธรรมกันได้เห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากที่ทําให้ท่านทําให้จิตใจของท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะท่านเห็นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและท่านเห็นเหตุที่จะทําให้ความทุกข์นั้นดับไปได้อย่างไรท่านก็ดำเอาเหตุที่ท่านเห็นนี้มาทําลายาต้นเหตุของความทุกข์ใจ พอทำลายหมดแล้วความทุกข์ใจก็หมดไปเหตุที่จะทำลายความต้นเหตุของความทุกข์ใจคือตัณหาทั้งหลายก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองที่ปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อมีครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้อย่างราบคาบ กามะตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาได้อย่างสิ้นเชิงพอไม่มีกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็หมดไปนี่เรียกว่าการมีสารณะที่พึ่งผู้ที่เห็นธรรมแล้วนี้ก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจถึงแม้ว่ายังไม่สามารถดับทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้ แต่ก็จะสามารถดับไปได้ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกมาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอย่างแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างอยู่ภายในใจแล้วรู้แล้วว่าความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากตัณหาความอยาก และเครื่องมือที่จะทําลายตันหาความอยากก็คือศีลสมาธิปัญญาก็จะนําศีลสมาธิปัญญานี้มาทําลายต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเวลาเกิดความอยากอะไรขึ้นมาก็ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้มากําจัดมันทันทีทุกครั้งที่มีความอยากโผล่ขึ้นมามันจะมีความทุกข์พอมีศีลสมาธิปัญญามาละตันหาความอยากได้ปั๊บ ความทุกข์ภายในใจก็จะหายไป ท, ทันทีจะไม่ไปแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นจะแก้ด้วยศีลสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียวเพราะนี่เป็นวิธีที่แก้ความทุกข์ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แก้ความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปหาลาบยศสรรเสริญที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขที่จะ มีความทุกข์ตามมาต่อไปจึงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่แท้จริงคนที่ได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกมิ้วกายนี้ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ยังต้องเจอความทุกข์กันอยู่แต่คนที่ไม่หาลาบยศสรรเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระคนที่หาศีลสมาธิ ป, ปัญญา จะเป็นคนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเพราะพระพุทธเจ้าก็ใช้สีนสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์มาแล้วพระอริยสงสารผู้ที่ได้ยินได้ฟังวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ใช้ในการดับทุกข์มาใช้กับตนเองพอได้ใช้กับตนเองก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ อย่างสิ้นเชิงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดับนะก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการเจริญสีสมาธิปัญญานี้เองด้วยการออกบวชนะถ้ายังอยู่เป็นคารวะเป็นผู้ครองเรือนอยู่โอกาสที่จะหลุดพ้นนี่ยากมากแต่ก็ไม่ถึงสุดวิสัยเพราะคารวะบางท่านสามารถที่จะเจริญสีสมาธิปัญญาได้ สามารถหยุดการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะมีบารมีมาแก่กล้ามีอินทรีย์สูงสามารถฝืนความอยากต่างๆได้ฝืนกามะฉันทะที่จะคอยหลอกล่อให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสามารถฝืนตันหาความอยากที่อยากจะลํมอยากจะรวย อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตได้อยากจะมีคนสรรเสริญยกย่องยันย่อได้ถ้าสามารถฝืนความอยากเหล่านี้ได้แล้วสามารถจเจริญสีนสมาธิปัญญาได้ก็สามารถบรรลุได้ในเพศของขาวว่าแต่การออกบวช น, นี้มันง่ายกว่าเพราะจะทำให้ไปอยู่ห่างไกลจากความอยากต่างๆนั่นเองถ้าอยู่ใกล้ลาบยศสรรเสริญอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมันก็จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไปอยู่ห่างไกลความอยากมันก็ไม่ค่อยผุดขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรมามาเชิญมาชวนให้มันเกิดขึ้นมานั่นเองนอกจากใจที่ไปคิดถึงมันเท่านั้นเองแต่พอออกมาอยู่ห่างไกลแล้วมีสติคอยควบคุมใจทำใจให้สงบใจก็ไม่สามารถที่จะไปอยากในลาบยศสรรเสริญได้ ไม่สามารถไปอยากในรูปเสียงกินรสต่างๆได้ใจก็ไม่มีความทุกข์ใจแล้วมีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าการหาราบยศรเสรินการทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการทำลายความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้มันหมดไป อันนี้ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหรือที่โผล่ขึ้นมาหรือเข้ามาภายในใจให้มันหมดไปได้อย่างสิ้นเชิงด้วยศีลสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือที่พึ่งของพวกเราสารณะธรมมังสารณะธรรมังสา ร, ร, รณะนางกระฉามีนี่แหละคือที่พึ่ง การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนยารักษาโรคใจเป็นยาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เราต้องน้อมเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจโดวยวิธีการปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกท่านได้ปฏิบัติกันท่านได้สละการ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเจราการหาลาบยศสรรเสริญสุขท่านมุ่งไปสู่การเจริญสีนสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียวพอท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการเจริญสีนสมาธิปัญญาการหลุดพ้นจึงเป็นการที่ไม่ยากเย็นเลยฟังองค์ก็สามารถหลุดพ้นได้ภายในระยะเพียงเจ็วัน ลององค์ก็ใช้เจ็ดเดือนลององค์ก็เจดปีแต่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในพบนี้ด้วยกันทุกองค์เลยถ้าลองทำอย่างเต็มที่การทำอย่างเต็มที่ก็คือการละเพศของคารวะแล้วไปอยู่แบบนักบวชเพราะจะได้มีเวลาได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเสียเวลากับ ก, บการไปหาลาบยศสัรเสริญ ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากมีสาระที่พึ่งทางใจเราก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวทั้งหลายเช่นหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ก็เป็นหนังสือที่จะสอนให้เราเห็นวิธีการปฏิบัติของ ภาสุปฏิปันโนทั้งหลายเช่นประวัติของหลวงปู่มั่นประวัติของหลวงปู่ขาวเป็นต้นประวัติของหลวงตามหาบัวศศกษาแล้วเราจะเห็นว่าท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วถ้าเราปฏิบัติแบบเดียวกับท่านผลมันก็ต้องเป็นเหมือนกันถ้าเหตุเหมือนกันผลก็ต้องเป็นเหมือนกันถ้ากินอาหารกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกัน ถ้ากินอาหารสแสลงกินไปแล้วท้องก็เสียเหมือนกันอย่างนั้นถ้าเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราทำเหตุนั้นเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปได้รับผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นค า, ารวาทั่้ครองเรือนหรือเป็น พระออกพระบวชพระนักบวชไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นเราอย่าไปดูเพียงแต่การเป็นเพศอย่างเดียวเช่นว่า เป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชแล้วแต่ไม่เจริญสีนสมาธิปัญญาไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่เกิดผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นฆราวาสแต่ได้เจริญสีนสมาธิปัญญาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างฆราวาสในเพศของฆราวาสก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกัน มันไม่มีสูตรตายตัวว่าจะต้องเป็นพระหรือเท่านั้นถึงจะบรรลุได้เป็นโยมแล้วบรรลุไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดหมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการเป็นพระนี้เป็นการเป็นวิธีปฏิบัติที่สะดวกรวดเร็วที่สุดง่ายที่สุดครูบาอาจารย์ต่างๆพระพุทธเจ้าพระอริยรสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นนัก บ, บวดกันทั้งนั้นเพราะท่านจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำภารกิจอย่างอื่นนั่นเองถ้าเป็นคารวาตอยู่ก็อาจจะต้องไปมีภารกิจอย่างอื่นยกเว้นคารวาตบางท่านที่สามารถอยู่แบบนักบวชได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้พวกเราดูที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนว่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง เป็นวิธีที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สุปฏิปันโนกับอะไรก็สุปฏิปันโนกับศีลสมาธิปัญญานี้เองอันนี้เป็นมักเป็นเหตุที่จะทําลายตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่มีก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร แต่ไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปใจนี้จะอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายใจของพวกเราก็ยังอยู่ต่อไปเหมือนกันแต่ใจของพวกเราจะอยู่แบบมีกิเลสตัณหามาคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่ไปเรื่อยๆฉุดลากหลอกให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแต่ใจของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายนี้ ท่านไม่มีตันหาความอยากมาคอยฉุดลากให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีตันหาความอยากมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใ จ, ใจต่างๆให้ให้แก่ใจอีกต่อไปต่างกันแค่ตรงนั้นใจของเราก็ไม่มีวันตายใจของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกทั้งหลายของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็ไม่ตายเช่นเดียวกันแต่อยู่กัน คนละฝ้ากันท่นนั่นเองใจของพวกเรายังอยู่กับกองทุกข์กันแต่ใจของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารวกนี้ท่านอยู่กับความสุขกันนี่คือความแตกต่างของผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็จะอยู่อย่างปรมังสุขขงังถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็จะอยู่แบบปรมังทุกขงัง อย่างที่พวกเรากำลังอยู่กันพวกเรายังทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทุกกันอยู่แทบทุกวันบางวันก็หนักบางวันก็เบาก็จะทุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาทุกขกันใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราให้มาเป็นสารณะที่พึ่งของใจของพวกเราได้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกทั้งหลาย เราก็ต้องมีความเพียรพยายามให้มากเพียรศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายศึกษาคําสอนของท่านว่าท่านสอนให้เราทำอะไรกันเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ขอให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เลยมันจะได้เสร็จภารกิจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ถ้าเราทําแบบสองฟักสองฝ่ายทําทําทางสารณะที่พึ่งบ้างแล้วก็ไปทําเรื่องการหาความสุขทางร่างกายบ้างสลับกันไปสลับกันมามันก็จะเหมือนกับเดินไปข้างหน้าสองเก้าถอยหลังสองเก้ามันก็จะไม่ไปไม่ถึงไหนเสียทีถ้าจะเดินไปข้างหน้าก็เดินไปอย่างเดียวอ ย, อย่าหยุดอย่าเดินถอยหลัง จะไปทางศีลสมาธิปัญญาก็เอาแต่ศีลสมาธิปัญญาอย่ากลับไปหาลาบยศสรรเสริญอย่ากลับไปหารูปเสียงกกิดนกแล้วเราก็จะสามารถที่จะสร้างสาระสร้างที่พึ่งขึ้นมาได้ภายในชิดภายในภพนี้ภายในชาตินี้อย่างแน่นอนเหมือนกับครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่ท่านได้สร้างกันท่านได้สร้างกันในภพนี้ชาตินี้ ได้เป็นสาระที่พึ่งของตนและเป็นสาระที่พึ่งของพวกเราอี ก, อกต่อหนึ่งด้วยก็ขอให้พวกเราพยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศอนประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุ ญ, ญาตไม่ตอบปัญหาเพราะจะได้ไปพักผ่อนหลับนอนตอนนี้ใครอยากจะถามก็ถามได้หนมีคำถามค่ะคือจะถามว่าสติ คือตัวแยกอารมณ์กับจิตใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในกรณีที่มันมีตัวรู้แต่ว่ามันรู้ว่ามันคิดแล้วมันคิดว่าคิดต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แล้วมันก็รู้ได้ว่าถ้าทำอะไรออกไปมันจะไม่ดีแต่ว่ามันมีแค่ตัวรู้อย่างเดียวแต่มันไม่มีกําลังที่จะหยุดนั่นก็คือกําลังสติไม่พอใช่ไหมคะต้องพยายามพุทโธพอรู้พอรู้ว่ามันคิดก็ให้หยุดมันใช้พุทโธพุทโธไป แล้วก็มันมีอีกอย่างคือกรณีที่อะไรที่มีปัญหาถ้าเราวางมันได้แล้วตัดมันได้แล้วจริงคือแค่มันคิดขึ้นมามันก็ตัดได้เลยมันถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรผุดขึ้นมาแต่ว่ายังไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำคือมันมีกำลังสติหรืออะไรก็แล้วแต่ตัดมันได้มันก็ไม่ไม่เกิดอารมณ์หรือว่าไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรต่อไปแต่ในกรณีที่ ปัญหาที่เรายังแก้ไม่ได้มันจะมีบางครั้งที่มันทําได้กรณีแบบนี้เหมือนกันกับอีกอย่างก็คือคิดแล้วมันก็ฟุ้งไปเลยคือต่อให้เอาใจรักมาอย่างไงคิดพิจารณาปัญญามาอย่งไรมันก็วางมันเหมือนกับบอกว่าวางแล้วแต่ว่าใจมันยังไม่วางมันก็คือกําลังของสติสมาธิไม่พอใช่ไหมคะก็มันยังตัดไม่ได้ก็สติปัญญายังไม่พอ คือวัดแค่ใจวางได้หรือวางไม่ได้ก็คือวัดก็ย้อนกลับมาได้ที่ว่าสติหรือสมาธิไม่พอแค่นั้นใช่สติหรือปัญญาไม่พอคำถามจากทางบ้านจากคุณธนพรที่นั่งๆหายหายปวดและรู้สึกตัวเบาและเหมือนตัวเรามีอะไรวูบวาบเย็นๆออกจากตัวเราเป็นระยะระยะ และเราร่วมรู้ว่าตัวเราจะหายใจอ่อนลงอ่อนลงคล้ายๆตัวเราจะทะลุอะไรออกไปแต่ยังออกไปไม่ได้ทั้งๆที่เรายังรู้ตัวอยู่ค่ะหมายความว่าอะไรคะก็อย่างหมายคำ ว, ว่าอย่างที่มันเป็นอยู่นั่นแหละไม่รู้จะหมายความว่ายัางไง คำถามจากคุณสุพนณาเคยไปสั่งซื้อกุ้งร้อยกิโลจากพ่อค้าที่ตลาดเพื่อไปทำโรงทานอาหารแจกคนอย่างนี้ผิดศีลข้อปานาไหมคะถ้าเขาถ้าสั่งแล้วเขาไปค่ามาให้เราก็ผิดคำถามจากผู้ฝากถามผมเริ่มนั่งสมาธิมาประมาณสามเดือนแลกแรกนั่งได้แค่สิบถึงยี่สิบนาที เพราะเจอนิวรนเยอะมากใช้ความเพียรและคำสอนของท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เพิ่มระยะเวลาขึ้นปัจจุบันนั่งได้เกือบสองชั่วโมงนิวรนต่างๆหายไปเกือบหมดเหลือแต่ฟุ้งบ้างและต่อมาก็เข้าสู่สภาวะเหมือนจิตวูบลงแต่ไม่เห็นแสงสว่างจริงๆทั้งหมดเท่าที่ฟังพระอาจารย์ทางซีดีและเฟ e b o o k Live นั้นต้องสว่างสงบ กราบเรียนถามว่าที่ปฏิบัติได้แบบนี้ถูกทางหรือไม่ครับและขอคําแนะนําครับให้สว่างหรือไม่สว่างนี้เราไม่ได้พูดนะเราพูดให้สงบอย่างเดียวให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะสว่างก็ได้ไม่สว่างก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรขอให้มันสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจากความอยากต่างๆเป็นอูเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้ก็ถือว่าจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว คำถามจากผู้ฝากถามเดิมทีลูกเคยเข้าสมาธิด้วยการมองตรงออกไปข้างหน้ามองนิ่งๆไม่ปรุงแต่งสิ่งที่เห็นให้เป็นสักแต่ว่ารู้จิตว่างๆแล้วหลับตาลงกำหนดจิตให้เข้าข้างในจะมีความรู้สึกถึงการอยู่ในที่ที่เหมือนท้องฟ้าจำลองเงียบสงบไม่มีสิ่งใดๆเลยยกเว้นยกเว้นตามรู้สึกรู้ของตัวเอง ทำเช่นนี้เสมอมาเมื่อรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่รู้ว่านี่คือการทำสมาธิแต่พอเริ่มมาศึกษาปริยัติหัดนับพุโทโธเพื่อทำสมาธิกลับทำได้ยากมากฟุ้งซ่านตลอดนอกจากฟุกๆุกจะทำให้จะทำได้สักครั้งหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งฟังธรรมจากพระอาจารย์ที่บ้านพระอาจารย์พูดย้ำย้ำคำว่าเราเกิดมาต้องตายต้องตาย จิตหลุดกลับเข้าไปสู่ห้องท้องฟ้าจำลองแต่คราวนี้กว้างขวางกว่าเดิมมากเงียบสงบว่างเปล่าปราศจากสิ่งใดๆใจสงบรู้สึกอิ่มนั่งอยู่ได้ราว3 0สถึงี่สิบนาทีก็ถอนออกมาจากสมาธินับแต่นั้นมาก็ไม่สามารถเข้าได้แบบนี้อีก จนกระทั่งในระหว่างเข้าพรรษานี้ได้ลองกำหนดฐานลมหายใจไว้ที่กลางศีรษะจึงพบว่าคือห้องท้องฟ้าจำลองเลยใช้ตำแหน่งนี้เป็นฐานจิตในการทำสมาธิเมื่อหลับตาเข้าไปแล้วความรู้สึกจะสงบได้เพียงแต่คราวนี้จะไม่นาน และบางครั้งไม่สงบเท่าที่เคยทำได้จึงใช้บริการพุทธโถกำกับจึงยังทรงอยู่ได้แต่หากแต่หาความสงบได้ไม่นานลูกใช้วิธีต่อไปไม่หยุดความสงบจะเป็นเหมือนเส้นประ ไปบางครั้งสามถึงสี่ชั่วโมงบางครั้งหนึ่งถึงสองชั่วโมงจึงขอากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูกทำแบบนี้เพื่อเจริญสมาธิต่อไปได้ไหมคะซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงช่วงเช้าจะมีการเจริญสติด้วยการทำวัดเช้าเย็นเจริญพุทโทวันละไม่น้อยกว่าห้าพันพุทโทและจากพุทโทหากระลึกได้ว่าควรจะมีพุทโทกากับใจคะ่ะ ก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆในระหว่างเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตมีกําลังหยุดความคิดต่างๆได้มากขึ้นพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดเรืเ่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่านดึงใจกลับเข้ามาให้สักแต่ว่ารู้ถ้าจะคิดก็คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จาเป็นเรื่องการเนื่องงานเท่านั้น ถ้าไม่ต้องคิดก็พยายามระ ง, งับความคิดอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้ออะไรต่างๆแล้วถ้าเรามีสติกำกับใจไม่ให้คิดได้บ่อยๆเข้าเวลานั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายและอยู่ได้นานค่ถามครบหมดแล้วค่ ะ, ะหมดแล้วน ะ, ะก็เอาคำถามสดต่อเลยมีทั้งคำถามแห้งกับคำถามสด ตอนนี้อย่าเข้าสู่คำถามสดเพราะตอนนี้มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube Live มีทั้งสองช่องช่องที่สามก็มีมีฟังเสียงได้ในเว็บไซต์เลิฟดัม m ่าดอก็เลือกเลือกติดตามเราได้แล้วสามารถส่งข้อความคำถามเข้ามาได้ซึ่งตอนนี้ก็มีท่านผู้ติดตามชมกำลังส่งข้อความกันเข้ามา ก็จะให้พิธีกรหรือตากล้องด้วยให้ถามคำถามได้เลยคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณทิทิพัฒน์นะครับเวลาหนูนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธมักเกิดภาพต่างๆเช่นภาพที่ทำงานบ้างภาพในชีวิตประจำวันบ้าง จิตไม่เกิดเป็นสมาธิเลยจะมีวิธีอย่างไรที่จะทําให้จิตเป็นสมาธิเจ้าคะเพระพุโทโธเราคงจะไม่ต่อเนื่องนถ้าเราอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องภาพต่างๆจะไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาได้แสดงว่าสติเรายังไม่มีกําลังมากพอที่จะดึงให้อยู่กับพุโทโธเราก็ต้องหมัน่นเจริญพุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งให้มีกําลังมากๆ แลนะ้ถ้าเรานั่งแล้วมีพุทธโธอย่างต่อเ น, นื่องจะไม่มีภาพอะไรปรากฏให้เห็นถ้ามีก็อย่าไปสนใจในเบื้องต้นนี้อาจยังจะมีภาพเข้ามาบ้างก็ให้อยู่กับพุทธโธไปอย่าไปตามรู้อย่าไปตามดูภาพต่างๆอย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้ภาพเหล่านั้นหายไปปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวพอใจเราอยู่กับพุทธโธแล้วเขาก็จะหายไปเอง คำถามจากคุณจีรศักนะครับในกรณีให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมอยากให้พระอาจารย์อธิบายครับทมที่ว่านี้หมายถึงอะไรคือกายเวทนาจิตธรรมนี้มันเป็นปัญญาแต่ละขั้นที่เราจะก้าวขึ้นไปเหมือนกับเหมือนกับการเรียนหนังสือระดับป ร, ริญญา ก็ต้องมีขั้นปริญญาตรีโทเอกตามลำดับธรรมนี้มันเป็นขั้นระดับปริญญาเอกก่อนที่เราจะเข้าถึงธรรมได้เราต้องผ่านะระดับปริญญาตรีก่อนก็คือร่างกายร่างกายแล้วก็เป็นยาโทก็เวทนากับจิตเนี่ยงั้นเรายังไม่ต้องไปกังวลเรื่องธรรมหรอกตอนนี้ให้เรามากังวลระดับปริญญาตรีก่อนถ้าระดับปริญญาตรียังไม่ได้ อ, อยากไปสนใจระดับปริญญาโทรหรือเอกเลยมามามาเรียนให้จบปริญญาตรี ก, ก่อนมาเจริญามาพิจารณาร่างกายกันก่อนพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยง เ, เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำนมใส มาจากดินน้ำนมไฟเวลาตายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ํานมไฟไปร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามสวยครึ่งหนึ่งไม่สวยอีกครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่เราจะมองแต่ขึ้นที่สวยเราเลยหลงรักร่างกายกันถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยเราก็จะไม่รักร่างกายนี่คือข้อสอบของระดับปริญญาตรีคือเรื่องของร่างกายทําให้มันผ่านให้ได้ก่อน เรื่องธรรนี่อย่าเพิ่งไปสนใจพูดไปก็ไปไม่ถึงอยู่ดีอย่าไปสนใจระดับปรัญญาเอกถ้าเรายัางเรียนเประดับปริญญาตรีอยู่ถ้ายัางเข้าไม่ถึงปริญญาตรีก็ต้องจบทำต้องทาให้จบขั้นรมัธยมให้ได้ก่อนก็คือขั้นศีลสมาธิให้ได้ก่อนขั้นเจริญสติให้ได้ก่อนเจริญสติให้ใจสงบให้ได้ก่อน ถึงจะเข้าสู่ขั้นระดับปริญญาตรีได้คือการพิจารณาร่างกายคําถามจากดรพิสิทธ์นะครับการบวชแล้วไม่ศึกจะเป็นการอักตตันยูหรือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ทางโลกหรือไม่ครับมันไม่มีอะไรที่ว่าเราจะต้องมีความกาตัญญูแบบในเป็นเพศของค า, ารวาท่านั้นความกาตัญญูนี้เป็นได้ในเพศของพระก็ได้ พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระนี้เอาอาหารที่บินตาบาตนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ดนั้นการบวชนี้ก็สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้และดีกว่าการตอบแทนแบบในฐานะของคารวะก็ได้เช่นถ้าเราบวชแล้วเราบรรลุ ธ, ธรรมเราสามารถป้อนธรรมะให้พ่อให้แม่จนพ่อแม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมก็ยิ่งจะดีกว่าการที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่ไปจนวันตายะ เพราะการเลี้ยงดูพ่อแม่ไปจนวันตายก็เพียงแต่รักษาร่างกายของท่านให้อยู่ไปตามสภาพเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทำให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมได้ถ้ททำให้ท่านพ้นอบายทำให้ท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าการเลี้ยงดูร่างกายคำถามจะคุณพาดานนะครับการที่ครูบาอาจารย์ให้วิหารธรรมมา แต่เราลองทำแล้วทำไม่ได้ดีต้องทำอย่างไรต่อคะก็ต้องพยายามทำให้ม <rated swag> ันดีเหมือนครูอาจารย์ที่เราไปเรียนหนังสือเขาก็ให้การบ้านเรามาทำเราก็ต้องพยายามทำทำไมบางคนเขาสอบได้ที่หนึ่งคบางคนสอบได้ที่โหลมันก็อยู่การกระทำของนักเรียนนี่เองว่าทำเต็มที่หรือไม่ทำมากน้อยต่างกันคนที่ทำมากก็ได้ผลดีกว่าคนที่ทาน้อย คำถามจะคุณสายน้ํานะครับผลบุญที่ทําชาตินี้จะได้รับและหมดในชาติต่อไปใช่ไหมครับผลบุญที่ทําแล้วถ้ามันส่งผลมันก็จะหมดไปถ้ายังไม่ส่งผลยังไม่ส่สงผลันก็ยังไม่หมดเพราะบุญแต่ละชนิดก็อาจจะมีเวลาเกิดขึ้นได้ช้าเร็วต่างกันเหมือนต้นไม้บางชนิดก็ออกดอกออกผลเร็วบางชนิดก็ใช้เวลานา น, านกว่านะ บุญกับบาปก็เช่นเดียวกันทำบุญทำบาปไปแล้วบางทีก็ออกผลได้อย่างรวดเร็วบางทีก็ยังไม่ออกผลถ้ายังไม่ออกผลมันก็ยังมีโอกาสที่จะออกผลอยู่ถ้าออกผลไปแล้วก็ถือว่ามันหมดไปคำถามจากคุณเกษรานะครับขอถามค่ะทำไมถึงทุกใจเรื่องคนเพราะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองอยากให้เขา เขาเป็นส้มอยากให้เขาเป็นมรรคอพอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ใจเช่นเขาเป็นคนไม่ดีอยากให้เขาเป็นคนดีเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ใจเช่นเขาดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเราอยากให้เขาเลิกแล้วเขาไม่เลิกเราก็จะทุกข์ใจหรือเราอยากให้เขาอยู่กับเราแต่เขาไม่อยากจะอยู่กับเราเขาจะไปอยู่กับคนอื่นเราก็ทุกข์ใจได้ ดังนั้นความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองไม่ใช่เกิดจากความดีความเชื่อของคนอื่นคำถามจากคุณโมนีนะครับการฟังธรรมะจากวิปัสสนาจารย์จะได้บุญเหมือนฟังกับพระสงฆ์ไหมคะคําว่าพระสงฆ์นี่แปลว่าอะไรเราก็ไม่เข้าใจวิปัสสนาจารย์แปลว่าอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจแต่ขอให้เราแปลว่าถ้าฟังจากคนที่รู้จริงเห็นจริงอ ก็จะได้รับประโยชน์การฟังจากคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงนั่นเองคำถามจะคืนลือชานะครับขณะนั่งสมาธิจะพิจารณากายและใจได้ไหมครับไม่ได้เวลานั่งสมาธิไม่พิจารณาอะไรให้นั่งเฉยเฉยให้นิ่งนานๆให้สงบนานๆเวลาจะพิจารณาต้องออกจากสมาธิมาก่อน คำถามจากคุณสิณีตอนนั่งสมาธิถ้ามีสติรู้ตัวจะเห็นเหมือนมีตัวรู้อีกตัวมองเห็นว่าจิตอีกตัวสงบอยู่หรือฟุ้งคิดไปนูน่นนี่แต่ถ้าฟุ้งไปเลยหรือหลับเหมือนตัวรู้นี้หายไปเลยและ เกนกันไปเลยไม่รู้สึกตัวพอมีสติกลับมาว่าฟุ้งไปก็เหมือนตัวรู้นี้แยกออกมาดูอีกทีอย่างนี้ถูกไหมคะหรือต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะพอมีสติรู้สึกตัวทีไรเหมือนเขาแยกออกมาเป็นสองตัวเป็นตัวที่รู้กับตัวที่ถูกรู้หรือตัวที่ถูกรู้คืออาการของจิตหรือเปล่าคะรบกวนพระอาจารย์เมตตาสอน ก็ตัวรู้กับตัวอารมณ์มันคนละตัวกันไงอารมณ์ก็เกิดดับเกิดดับแต่ตัวรู้อารมณ์นี้มันไม่เกิดดับเกิดดับเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่รู้มันไปเผลอไปตามอารมณ์เข้ามันก็เลยกลายเป็นตัวอารมณ์ไปด้วยแต่พอมีสติแยกออกมามันก็จะแยกเห็นว่าตัวรู้กับตัวอารมณ์นี้เป็นคนละตัวกันพอมีสติก็จะสักแต่ว่ารู้ว่าโอกกาลังเกิดอารมณ์นี้กําลังเกิดอารมณ์นี้อยู่ ถ้าไม่มีสติมันเป็นอารมณ์อะไรก็เป็นไปกับมันมันดีใจก็ดีใจไปกับมันเสียใจก็เสียใจไปกับมันไม่รู้เฉยๆคําถามจากคุณพัชรีขณะที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากเกิดอาการง่วงเราสามารถลุกเดินเพื่อทําให้ตาสว่างแล้วมานั่งต่อได้ไหมเจ้าคะได้ก็อย่าไปนั่งแล้วหลับนั่งแล้วง่วงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ท้งง่วงลุกก็ลุกขึ้นมาเดินแทนคำถามจากคุณบอมแบมมีปัญหาสงสัยการบริจาคเลือดเป็นการให้ทานขั้นไหนคะก็เป็นวัตถุทานเเหมือนกับบริจาคข้าวแทนที่จะให้ข้าวเราก็ให้เลือดคำถามาจากคุณพิตตี้นะครับ เนื่องจากดิฉันไปช่วยเหลือแมวจรจัดจากการถูกทำร้ายเจ็บป่วยหรือมีคนนำมาทิ้งดิฉันต้องการนำสังฆทานทำสังฆทานให้กับเจ้ากรรมนายเวรของแมวที่ได้ช่วยเหลือมาไม่ทราบว่าเจ้ากรรมนายเวรของแมวทั้งหลายเขาจะรับทราบไหมเจ้าคะเราทำไม่ได้หรอกของใครของมันเวรกรรมของใครของใครของมันแล้วการที่จะไป ทำกับเจ้ากรรมนายเวรนี้ต้องไปเจราจาไปพบกับเจ้ากรรมนายเวรถ้าทําโดยที่เขาไม่รับรู้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นใครมีเวรมีกรรมกับเราจองเวรจองกรรมกับเราเราก็ไปคุยกับเขาไปพบเขาไปถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการชีวิตเราก็ให้เขาฆ่าไปถ้าเขาต้องการทรัพย์สินก็หาทรัพย์สินมาให้เขาไปมันก็จะหมดเวรหมดกรรมกันไป คำถามจากคุณโมณีคนที่ขับรถชนหมาแมวโดยที่ตัวเองรู้แต่ทําเป็นไม่สนใจไม่คิดที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นทั้งๆที่บางตัวยังไม่ตายคนเหล่านี้จะได้ผลของกรรมอย่างไรบ้างคะถ้าเขาชนโดยไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเขาไม่ช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้รับความเมตตาเขาก็ไม่ได้บุญคําถามจากคุณวัญยลักษ์นะครับเมตตาคนที่เกียรต แล้วต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างไรคะคือพยายามจะเมตตาเพราะเขาดูถูกเราทุกเรื่องก็คิดว่าก็เป็นพ่อเป็นแม่เราก็แล้วกันเราก็จะเมตตาเขาได้คำถามจากคุณหนุยนะครับเห็นพระพุทธรูปเก่าสีถลอกไม่มีคนดูแลเลยเอามาพ่นสีใหม่แล้วเอามาบูชาที่บ้านพอดีเอามาจากบ้านญาติอย่างนี้ดีไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าเจ้าของก็อนุญาตให้เรามาหรือเปล่าถ้าเอามาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็บาปไปขโมยพระมาถ้าเขาอนุญาตแล้วเอามาทาสีใหม่แล้วมาไหว้มากราบไหว้บูชาก็ดีคำถามจากเขตปฏิบัติธรรมในสวนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับถ้าลูกโกหกคนที่ลูกรักเพื่อให้เขาสบายใจลูกจะบาปไหม่เจ้าคะถ้าโกหกก็บาปนะ ข้อที่สองในขณะที่ลูกกำลังนั่งสมาธิเห็นภาพบางอย่างปรากฏเช่นพญานาคหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะหรือลูกไม่มีสติและควรปฏิบัติอย่างไรไม่มีสติควรจะกลับมาหาพุทโธถ้าเราใช้พุทโธถ้าเราใช้ลมก็กลับมาดูลมต่ออย่าไปสนใจกับภาพที่ปรากฏขึ้นมา ข้อที่สามลูกฝันว่ามีคนจะมาเอาชีวิตของลูกให้ตายและลูกตกใจกลัวมากๆลูกควรพิจารณาอย่างไรดีเจ้าคะตอนนี้ไม่กล้านั่งสมาธิหรือนอนเพราะกลัวมากๆเจ้าคะ่ะก็พิจารณาว่าเกิดมาแล้วย่อมย่อมต้องตายไปเป็นธรรมดาเรามีเมื่อเกิดแล้วเราย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ถ้าพิจารณาแล้วยิ่งกลัวก็อย่าไปคิดถึงความตายมาบริกรรมพุทโธแทนทุกครั้งที่กลัวความตายก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงความตายมาสวดมนต์ไหว้พระแทนพุทโธพุทโธแทนไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงความตายเพราะถ้าใจเรายังไม่แก่กล้าพอแต่ถ้าใจเราแข็งเราแก่กล้าพร้อมที่จะเผชิญกับความจริงก็คิดถึงความตายได้ให้คิดว่าร่างกายของทุกคนไม่ว่าเป็นของใครก็ตาม เกิดนาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคนหนีไปไม่พ้นคำถามจากคุณนานะครับกราบขอรบกวนฝากคำถามช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้ได้ทราบจากทางเฟ e บุ๊ k ทั่วไปว่าพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทำบุญเปิดสามโลกธาตุ ขอรบกวนถามคำอธิบายถึงคำว่าเปิดสามโลกธาตุมีความเป็นมาและความเป็นจริงอย่างไรถ้าทำบุญถึงใครในวันนี้เขาจะได้รับเต็มที่หรือไม่อย่างไรและกราบขออภัยหากคำถามไม่สมควรเจ้าค่ะเราก็ไม่ทราบความหมายของคำ ว, ว่าเปิดโลกธาตุเพราะโลกธาตุมันปิดอยู่แล้วการจการจริงโลกธาตุมันก็เปิดข้งมันอยู่ไม่เห็นมันมีประตูตรงไหน ฉะนั้นเขาเปิดนี่เราไม่ทราบความหมายของคําว่าเปิดนี่เปิดอย่างไรเพราะมันไม่มีประตูเปิดปิดนี่มีหรือไม่ใครเห็นประตูของโลกกะาะ t บ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วจะไปเปิดไปปิดกันได้ยังไงเขาคงจะมีความหมายอย่างอื่นเน้อก็ต้องไปถามคนที่พูดว่าเขาหมายความว่ายอย่างไรคําว่าเปิดโลกกระ t h a เนี่ยคําถามหมดครับอาจารย์มีใครอยากจะถามต่อไหม ถามได้นะไม่ไม่คิดตังค์ <laughs> ไม่ไม่ถามก็นั่งเฉยเฉยเดี๋ยวก็มีคำถามเข้ามาเองพักดื่มน้ำสักปับหมือนก่อน <laughs> มีเวลาอยู่บ้างเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะถามทางบ้านเขาคงยังกำาลังจะพิมพ์ำําถามอยู่ <laughs> คืคำคําว่ากลกทกำนำนีกท่านหานมายถึงตายำกบมัก มันมีอยู่สามโลกโลกที่สัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่มีสามโลกกามาพบรูปประพบและอรูปประพบเขาเรียกว่าตายพบ mm hmm. ก็กามาพบก็เป็นที่อยู่ของมนุษย์เทวดาและเดรัจฉานเปรตผีนรกทั้งหลายนี่เรียกว่ากามาพรูปประพบก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้บรรลุรูปประชานและอรูปประพบก็คือที่อยู่ของผู้ที่ ได้บรรลุอรูปฌานแต่พบทั้งสามนี้ไม่เห็นว่ามีประตูเปิดปิดนะใครจะไปพบเหล่านี้ก็ต้องไปด้วยบุญด้วยการปฏิบัติทำบุญหรือทำบาปถ้าทำบุญก็ไปสู่พบของเทวดาพบของพรหมก็ถามมาสิไม่ได้ห้ามซะหน่อย กราบขอโอกาสถามเรื่องศีลนะครับในกรณีที่ทําผิดศีลอย่างยกตัวอย่างเรื่องการทําผิดศีลของของพระก็เคยอ่านว่ามีการผิดศีลของ <c oughs> พระแต่ละข้อจะตกนรกไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนั้นเป็นระยะเวลานานเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าการโป่งอาบัตินี่จะ แกในส่วนของการต้องรับโทษทางตามที่ทําผิดแก้ไม่ได้หรอการปรองกระบนี้เป็นการประจานตัวเองเป็นการสารภาพผิดเพื่อที่จะได้ไม่กระทําซ้ําๆอีกซ้ํา้ำซากก็ให้ไปสารภาพกับภาครูปอื่นเพื่อจะได้ประจานตัวเองว่าเราตอนนี้ได้ทําผิดแล้วนะและต่อไปนี้จะพยายามไม่ทําผิดซ้ําซากอีกต่อไปแต่ความผิดที่ได้ทําไว้ก็ต้องไปรับผลของมัน อย่างั้นทำแล้วมาสารภาพแบาปแล้วไม่ต้องรับก็ดีเลยเหมือนไปฆ่าคนแล้วก็ไปสารภาพแบบผมไม่ได้ฆ่าคนนี้อ่ะศาลก็บอกอ่ะโอเคไม่ต้องเข้าคุกไม่ได้หรอกเมื่อทำผิดก็ต้องไปรับโทษสารภาพก็อาจจะลดโทษให้ลงเกินหนึ่งก็ได้เห็ในการทําผิดศีลที่เคยอ่านของพระนี่รู้สิจะโทษจะสูงหรือเกินครับก็เลย เป็นกังวลในส่วนของตรงเร่องก <c oughs> ็มันมีทั้งหนักทั้งเบาไงความผิดของพระนี้ก็มีระดับเบา <c oughs> ก็มีระดับหนักก็มี <Okay. S 1> ถ้าระดับหนักเช่นปาราชิกนี่ก็ให้ขาดจากการความเป็นพระไป <c oughs> แล้วตายไปก็ถ้าฆ่าผู้อื่นนี่ก็ต้องไปตกนรกอย่างอย่างพระพระเทวทัตพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าสามครั้ง ก็ต้องไปสู่นรกอันลึกที่สุดขุมใหญ่ขมลึกที่สุดเพราะเป็นโทษหนักที่สุดถึงแม้ว่าจะสารภาพขออภัยจากพระพุทธเจ้าก็ยังต้องไปตอนที่ธรณีจะสู่ก็ถวายกราบเป็นพุทธบูชาขอสารภาพสำนึกผิดการสำนึกผิดนี้จะทำให้เราไม่กล้าทำผิดอีกต่อไป มีมารหรืเปล่ามีครับก็ใช่เข้ามาต่อคําถามจากคุณวิทิดนะครับเมื่อจิตนิ่งแล้วพิจารณาร่างกายคือการนึกเห็นอวัยวะในร่างกายใช่ไหมครับโดยนึกเห็นตั้งแต่เส้นผมลงมาเวลาจิตนิ่งยังไม่ให้พิจารณานั่งสมาธิให้นิ่งเพื่อให้มันสบายให้มีกําลังเวลาสงบปั๊บแล้วพิจารณามันจะไม่มีกําลังเหตุเวลาจิตนิ่งนี้ห้ามพิจารณา ให้พยายามรักษาความนิ่งไปจนกว่ามันหายนิ่งพอมันเออพอมันเริ่มคิดปุงแต่งแล้วเวลานั้นถึงค่อยมาพิจารณาถ้ายังนั่งไม่นิ่งไม่นานก็ไม่ควรที่พิจารณาควรจะหัดนั่งให้มันนิ่งนานๆไปก่อนให้จิตนิ่งนานๆแล้วมันจะมีกำลังพิจารณากำลังตัดกิเลสได้ถ้ายังไม่มีกำลังไปพิจารณามันก็ตัดไม่ได้ พิจารณาว่าต้องตายแต่ก็ตัดกิเลสความไม่อยากตายไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่ดีแต่ถ้ามีกําลังพอพิจารณาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความไม่อยากตายก็ยอมตายเสียพอยอมตายปับมันก็หายทุกข์ส่วนร่างกายจะตายไม่ตายก็เรื่องของมันยอมตายก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะตายไม่อยากตายก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ร่างกายมันจะอยู่มันจะตายมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรา แต่ความทุกข์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ความอยากของเราที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากตายกันแต่พอเราพิจารณาความจริงว่าร่างกายมันต้องตายแล้วยอมตายเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมตายเราก็จะทุกข์ที่เรายอมตายไม่ได้ก็เพราะกิเลสไม่ยอมให้เรายอมตายกิเลสมีกำลังมากกว่าสมาธิของเรามีกาลังน้อยกว่าสู้กิเลสไม่ได้ ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเรารู้ว่าเราต้องตายแต่เราไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากไม่ตายกันเราจึงพยายามนั่งสมาธิให้มันนานๆให้มันนิ่งนานๆเพราะเวลานิ่งนานๆนี้มีกําลังหยุดหยุดความอยากได้ยั้นถ้าเรายังนั่งสมาธิได้ไม่นานอย่าเพิ่งไปพิจารณาปัญญาให้เสียเวลาพิจารณาไปก็ทําอะไรไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้ พยายามนั่งให้นานๆให้ความอยากนี้มันอ่อนกาลังลงแล้วกำลังหยุดมันมีกำลังมากขึ้นก็ทดลองดูก็ได้ถ้าอยากจะพิจารณาพิจารณาแล้วดับความอยากได้หรือเปล่าถ้าดับไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังมีกำลังไม่พอา น, นเองคำถามจากคุณประมวลนะครับการนั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วนานๆ อยู่มือก็ค่อยๆลอยขึ้นมาหมายความว่าอย่างไรเป็นเพราะอะไรคะก็มันลอยขึ้นมาจะเป็นเพราะอะไรก็ลอยก็ลอยเลยอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีสติแล้วก็ได้ถ้าเราอยู่กับอ า, อารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจมันก็จะไม่ลอยคําถามจากคุณโมณีนะครับการฟังเทศมหาชาติจะได้อ น, นิสงส์ต่างจากการฟังเทศทั่วไปอย่างไรคะ ก็มหาชาติก็คือชีวประวัติของพระพุทธเจ้าในภพต่างๆนั่นเองพระเจ้าสิบชาติเนี่ยก็คือภพชาติที่พระพุทธเจ้าเราได้เคยเกิดมาเป็นนั่นเองแล้วมีคติสอนใจเพราะเป็นแต่ละภพนี่ก็เป็นภพที่ท่านสร้างบา ร, รมีแต่ละชนิดกันเช่นตอนที่เป็นพระมหาชนกก็สร้างวิริยะบา ร, รมีความเพียรเวลาเป็นพระเวสสันดรท่านก็สร้างทานบา ร, รมี มันก็เป็นคติเตือนใจเราว่าถ้าเราอยากจะได้ไปพระนิพพานเราก็ต้องพยายามสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้เช่นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีเป็นต้นคําถามจากคุณอ น, นวนนะครับผมนั่งสมาธิแล้วกําหนดพุดโทโธนั่ง พอสมคว ร, ควรเกิดรู้สึกมีอาการวูบขึ้นมาแล้วพุโทโธหายไปผมก็กลับมาพุโทโธใหม่แล้วก็เกิดขึ้นอีกอันนี้เป็นอั ป, ปนาสมาธิใช่หรือเปล่าครับแล้วผมต้องทำอย่างไรต่อไปถ้าวูบแล้วมันเนื่งสักแต่วะารู้ก็เป็นสมาธิถ้าวูบแล้วเรายังมาพุโทโธอยู่ก็ยังไม่ใช่วูบอาจจะวูบหลับหรือเปล่าวูบแบบสับประหง ก, ก็เปล่ามันมี้วูบได้สองแบบ วูปแบบสบงบวูปแบบมันรวมจิตเข้าสู่ความสงบถ้าเข้าสู่ความสงบมันจะมีสติเต็มตัวจะรู้สึกจะสักแต่ว่ารู้ได้ถ้าวูปแบบสบงบมันก็อาจจะแบบแบบลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาเวลาสัประงกก็รู้สึกตัวก็สกติได้คืนมาอันนี้ก็แล้วแต่ คำถามจากคุณจุธาทิพย์ถ้าก่อนนั่งสมาธิมีอาการปวดเมื่อยสามารถยืดกล้ามเนื้อก่อนเพื่อให้เริ่มด้วยความสบายก่อนหรือให้ทนนั่งไปเลยคะก็แล้วแต่เราเราจะยืดเส้นยืดสายก่อนก็ได้การนั่งนี้เราไม่ได้มานั่งเพื่อทรมานนั่งกายเป็นหลักแลนั่งเพื่อที่จะทำให้ใจสงบคำถามจากคุณจักรภพ ทุกคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้มีทุกข์ก็ต้องค้นหาสาเหตุของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าเกิดจากความอยากของเราถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องเยอะต้องใช้ความจริงมาว่าสิ่งที่เราทุกข์นั้นเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ แต่เขาไม่ทำเพราะเขาไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราก็จะยึดเลิกอยากให้เขาทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ได้่ถ้าเราคิดว่าเราสั่งเขาได้เราก็จะอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็จะทุกข์ยัเราต้องมองความจริงว่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่าถ้าสั่งเขาไม่ได้ก็อย่าไปสั่งอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ คำถามจาคุณเกษราการสวดมนต์ในใจถือว่าเป็นการทำสมาธิหรือเปล่าก็เป็นการเหมือนกับบริกรรมพุโทโธพุโทโธครับคำถามจาคุณจงสินีนะครับที่เขาว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือออกกรรมนั้นหมายถึงอะไรคะมันเป็นคำสองคำที่เราเอามาใช้กันผิดผิดเนาะ การวิปัสสนากรรมฐานก็คือการเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายเป็นต้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันไม่เที่ยงปล่อยให้มันไม่เป็นของเราอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานส่วนการออกกรรมนี่ไม่รู้ว่าเขาออกกันยังไงเขาไ่ทำกรรมอะไรกันอย่างไรถึงต้องมาออกกรรมอันนี้ไม่เข้าใจ คำถามจากคุณท็อปนะครับถ้าเราโกรธที่พ่อแม่ลุงป้านะ้าอาว่าเราถ้าเราโกรธจะบาปมากหรือเปล่าครับก็บาปเหมือนกับเวลาความโกรธนี้ยังไม่บาปมันเพียงแต่ทําให้เราทุกข์ใจเท่านั้นเองยังไม่ได้ไปด่านี้ยังไม่ถือว่าบาปยังไม่ไปทุบตีผู้อื่นนี่ยังไม่ถือว่าบาปเพียงแต่โกรธนี้มันทําให้เราทุกข์ใจเท่านั้น ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความโกรดนั้นวิธีหยุดก็ใช้พุโทโธหยุดก็ได้ให้เราท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคําด่าที่เขาด่าไปแล้วมันผ่านไปแล้วแต่เรายังเอามาคิดอยู่พอเราพุโทโธพุโทโธไปเราก็หยุดคิดถึงคาําด่าพอเราไม่คิดถึงความด่าเราก็ลืมมันพอลืมมันเราก็หายโกรธคําถามจากคุณเกษรานะครับ การขอขมากรรมทุกเช้าเย็นเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเจ้าคะขอขมากรรมพระพุทธเจ้าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องทําเวลาจะขอขมาต้องมีเทําโทษทําผิดก่อนถึงไปขอขมาถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดไปขอขมาทําไมขอขอขมาเพื่ออะไรการขอขมานี้เพื่อที่จะเตือนใจสอนใจกําหลาบใจไม่ให้ไปทาาําซ้ำซากนั่นเท่านั้นเอง คำถามจากคุณบอมแบมนะครับต้องใช้ชีวิตการงานกับคนที่ชอบนินทาเราไม่อยากร่วมวงด้วยแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องต้องอที่จะต้องฟังจะทำอย่างไรดีคะก็คิดว่าเราอยู่กับสุนัขที่ชอบเห่าก็แล้วกัน <c oughs> มันจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไป <c oughs> คาถามจากคุณวัญยลักษณ์นะครับเรื่องของกรรมเราควรชดใช้หรือหนีกรรมดีกว่าคะ ชดใช้ไม่ได้หนีกรรมไม่ได้ถึงเวลามันมาเองถึงเวลาก็รับกรรมไปอ่าจะคุณทิติพัฒน์อีกครั้งนะครับการภาวนาพุทธโธต้องหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างเดียวใหม่เจ้าคะถ้าภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธแบบติติติติต่ตตตตตอนเนื่องกันไปจะผิดไหมคะไม่ผิดครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาพุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมเลยก็ได้ะ หรือจะดูลมโดยที่ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้มีสามวิธีวิธีพุทธโธอย่างเดียวลมอย่างเดียวหรือผสมกันพุทธเข้าโธออกอันนี้แล้วแต่ความถนัดความพอใจคําถามจะคุณวาสนาการสร้างพระสิวลีมีอ น, นิสงส์ไหมคะก็เป็นการสร้างก็สร้างรูปของรูปเหมือนของพระอารหันต์รูปหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นที่เห็นจะได้ มีความสนใจอยากจะเรียนรู้ว่าพระรูปนี้ท่านเป็นใครก็เป็นการสั่งสอนเป็นการให้ได้เจริญสังคารนุสติได้เรียนรู้ชีวประวัติของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะได้เอามาเป็นแบบฉบับในการดาเนินชีวิตของตนต่อไป คำถามจากคุณมณฑาดัยนะครับในขณะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ก็เห็นคนเดินมาบีบคอตั้งแต่วันนั้นก็ไม่สบายปวดศรีรษะบ่อยมากแผ่เมตาอย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับก็ไปหาหมอสิถ้าไม่สบายทางร่างกายมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการที่เราไปเห็นอะไรก็ได้หรือถ้าเห็นแล้วทำให้เราเป็นอย่างนี้เราก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราเห็น ทำใจให้สงบแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็จะหายไป Justin, คำถามจากคุณลเวงนะครับรบกวนพระอาจารย์อธิบายทุกขังในกฎไตรลักษ์คืออะไรคะก็ความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงอยากให no mm ้ม hmm ันเที่ยงมันก็ทุกข์อยากในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเรามันก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรไม่เที่ยงอย่าไปอยากให้มันเที่ยงแล้วเราจะไม่ทุกข์อะไรที่ไม่ใช่เป็นของเรา อย่าไปอยากให้เป็นของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์แล้วอะไรล่ะที่ไม่ทเที่ยงแ ล, แล้วที่ไม่ใช่เป็นของเราก็ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่นแหละมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นที่เราทุกข์กับมันก็เพราะว่าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเรานั้นเองพอไม่เป็นของเราก็ร้องหม่มร้องไ ห, ห้เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันดับไปก็ร้อง ห, มดดห่มร้องไห้เนี่ยก็คือความทุกข์ขัง หมดแล้วยังกำลังจะหมดใหมอีกข้อหนึ่งครับอ่าข้อสุดท้ายโอเคอีกข้ออีกข้อ จมีคนถามอ่าาตรงนี้ให้เสร็จเลยข้อแล้วกัน อ, อ่าโอเคครับจากคุณปัทมพรนะครับถ้าเกิดว่าโยมรู้ว่าการได้รับข่าวสารบางอย่างทำให้ใจโยมไม่เป็นปกติแล้วโยมปิดทุกทางในการรับรู้อย่างนี้เรียกว่าการหนีปัญหาหรือเปล่าคะหรืออีกทางคือโยมต้องอยู่กับปัญหานั้นให้ได้โยมเห็นว่าเราควร อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีแต่ข้อเสียทั้งนั้น<ม>ซึ่งโยมลองทำแล้วได้คำตอบคือไม่รับรู้เป็นหนทางที่ดีต่อใจที่สุดแต่โยมยังสงสัยว่าที่โยมเลือกจะปิดมันคือการหนีหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาว่าเราต้องอยู่กับเรื่องนั้นหรือเปล่าถ้าเราต้องอยู่แล้วเราเราไม่ไปอยู่ล้วก็แสดงว่าเราหนี แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องอยู่ไม่ต้องรับรู้เราไม่ไปรับรู้ก็ไม่ได้แสดงว่าเราหนีมันก็ดูที่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่แก้ห ร, รือเปล่าถ้าเรื่องที่เราต้องอยู่แก้แล้วเราไม่แก้อันนี้ก็แสดงว่าเราหนีแต่เรื่องที่เราไม่ต้องอยู่ไม่ต้องแก้แล้วเราไปก็แสดงว่าเราไม่ได้หนีถามมากราบณมจการผอาจารย์ครับอจากความรู้ที่ผอาจารย์อบรมทางสอนผ ม, ผมให้ ประพฤติดีประแบบชอบผมได้นำความรู้นี้ไปปฏิบัติขั้นของการปฏิบัติเนี่ยผมก็รักษาศีลทานภาวนาแล้วก็ยกตนขึ้นรักษาศีลจากศีลห้าเป็นศีลอุโบสถแล้วแต่ที่ผมกับเรียนหนทางการปฏิบัติของการวิปัสนากรรมฐานหลังจากนั่งสมาธิแล้วเนี่ยคือผมมองอจิตที่มีอารมณ์ในกิเลสคือกิเลส แล้วก็ความอยากและไม่อยากเนี่ยาตาไปกระทบรูปสวยไม่สวยหูได้ยินคนอื่นก็าด่าไม่ด่าเนี่ยคือจิตผมยังตามไม่ค่อยทันยังยังยังยังยังมีอารมณ์ขึ้นขุเครื่องอยู่เป็นคำถามว่าตอนนี้ผมพยายามที่่ให้รู้เท่าทันจิตของอารมณ์ที่เกิดทางอากุศลและไม่อกุศลเนี่ย ผมก็จะไม่ยินดียินร้ายมันปล่อยวางเพียงแต่สักรู้เท่านั้นเองเป็นหนทางการปฏิบัติที่ถูกไ้ยและขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับถูกแล้วอะเราต้องรู้รู้ทันเราปล่อยวางให้สักแต่ว่ารู้ถ้าเรายังยังไปดีใจเสียใจอยู่แสดงว่าเรายังรู้ไม่ทันสติเรายังไม่ทันเราก็ต้องมาเจริญสติให้มากๆขึ้นเพื่อให้จิตสักแต่ว่ารู้ให้ได้ สักแต่ว่ารู้แล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นจิตก็จะเฉยเฉยสักแต่ว่าเราไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังถ้ายังรักยังชังอยู่แสดงว่าสติยังไม่ทันก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นไปให้มีกําลังที่จะหยุดความรักความชังให้ได้ให้ให้รู้เฉยเฉยให้ได้มีไหมอ่าแสดงว่าที่ผมฝึด นนถูกต้องแล้วอ่าแต่แต่ทําให้มันได้ผลเท่านั้นเองอ่ะส่งมาไหน่อนี่อ่ามีมีผู้ถามว่าอ่าปฏิบัติจําเป็นต้องปฏิบัติที่วัดไหมครับอาจารย์ไม่หรอกเพียงแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนที่จะทําให้การปฏิบัติ ด, ดีง่ายยากต่างกันถ้าสถานที่ที่เงียบที่สงบ ที่มีผู้รู้คอยสั่งคอยสอนมันก็จะดีกว่าสถานที่ที่วุ่นวายที่ไม่มีผู้รู้ผู้สั่งผู้สอนอถามมาผมอยากทราบว่าถ้าเกิดช่วงเนี้ยคนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยครับแล้วถ้าสักวันหนึ่งเกิดกับตัวเราเนี่ยเราควรจะมีวิธีรับมือกับโรคนี้ยังไงบ้างครับก็เหมือนกับรับโรคไข้หวัดเนี่ยมันเป็นก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปตายก็ตายไป ก็มีเทาานี้ทำใจให้เฉยๆอย่าไปวุ่นวายกับมันหายก็หายอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่ตายถ้าถึงเวลามันจะตายก็ต้องให้มันตายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพพเพนะิสเปจานาไปปฏิบัติ